ข้อความในทุติยะเอสนาสูตรนะครับว่าด้วยที่ตั้งแห่งทิฏจิงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอระหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการสแสวงหาสามประการนี้สามประการเป็นไนคือการสแสวงหากามหนึ่งการสแสวงหาพหนึ่งการสแสวงหาพรหมจรรย์หนึ่ง ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการแสวงหาสามประการนี่แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าการแสวงหากรามการแสวงหาพบกับการแสวงหาพรหมจรรย์การยึดมั่นว่าจริงดังนี้เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิที่เกิดขึ้น การแสวงหาทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิพระอรหันต์ผู้ไม่ยินดีแล้วด้วยความยินดีทั้งปวงผู้น้อมไปในธรรมะเป็นที่สิ้นตันหาสละคืนเสียแล้วถอนได้แล้วภิกษุเป็นผู้ไม่มีความหวังไม่มีความสงสัยเพราะความสิ้นไปแห่งการสแสวงหาทั้งหลายนะครับนี้ก็มีความต่างที่คาถานะครับ คถานั้นเน้นไปที่ผ้ารหันเลยนะครับข้อความในอัตถกถานะครับบดว่าบ ร, รมัจจริเยสนาสหความว่าพร้อมกับการสแสวงหาพรหมจนะรรย์วันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องศัพท์ในบรรณาเอสนาเหล่านั้นนะครับเพื่อจะทรงแสดงพระมจริยะเอสนาโดยสรุปพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า อิติสัจจะประมาโสทิฏฐานาสมุทยาการยึดมั่นว่าจริงดังนี้เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิที่เกิดขึ้นดังนี้คำนั้นมีอธิบายดังนี้การยึดมั่นว่าสิ่งนี้เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการอย่างนี้เชื่อวอิติสัจจะประมาโสคือลัที่ของแต่ละละทีนี่นะก็จะยืนยันใช่ไหมครับว่าโลกเที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่จริงโลกไม่เที่ยงอย่างนี้จริง อย่างอื่นไม่จริงนะลักษณะเนี่ยที่ยืนยันในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจริงเนี่ยนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอาการคือความเป็นไปแห่งทิฏฐิว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเป็นโมฆะทิฏฐินั่นแหละชื่อว่าทิฏฐิฐานาเพราะเป็นเหตุแห่งอนัตถะทุกอย่างสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราตถาคตกล่าวโทษที่จะพึงตําหนิว่ามีมิจฉาทิฏฐิ เป็นอย่างยิ่งดังนี้นะครับแม้โทษของมิจฉาทิฏฐินี่มีมากมายมหาศาลนะครับมิจฉาทิฏฐินี่นะครับหนักกว่าอนันตริยกรรมนะครับมีโทษหนักกว่าอนันตริยกรรมเยอะนะครับค่าพอ่อค่าแม่ค่าพระอรหันต์ทำโลหิตของพระผู้มีพระภาคให้ห่อกับทำสังกเภทเนี่ยนะครับไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับมิจฉาทิฏฐิเลยอย่างเช่นนะครับนิยตามิจฉาทิฏฐิเช่นมัคลิลโคสารเนี่ยนะครับ กับพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตทําสังเภทนะครับพระเทวทัตนั้นก็ทําอนันตริเรกามคือทําโลหิตพระผู้มีพระภาคให้ห่อด้วยแต่เทียบความหนักหนาสาหัสแล้วประมาณแสนกับข้างหน้าพระเทวทัตเนี่ยนะครับจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลบรรลุเป็นพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าแต่มรรคคิริโศสารยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับเป็นผู้เฝ้าวตัตตะสงสาร เป็นผู้เฝ้าขันท่าอโยตนะแล้วก็บาปกรรมที่เผยแพร่มิจฉาทิฐิเหล่านี้เอาไว้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะมีทุกข์มีโทษไปอีกขนาดไหนเพราะว่าแกเป็นโมฆะบุรุษยิ่งกว่าโมฆะบุรุษอีกนะครับเป็นอาสัตบุรุษยิ่งกว่าอาสัตบุรุษเพราะตัวเองก็เป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็ยังเผยแพร่ลัทธิมิจฉาทิฐิไปอีกมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็โลกัาโลกันตนรกนะครับโลกันตนรกเนี่ยนะอยู่ขอบเขาจักรวาลนะครับ เป็นเหมือนกับค้างคาวนะครับแต่ว่าทุกทรมากนกว่าค้างคาวหลายพันเท่านัก น, นะครับหลายแสนเท่านักก็เขาสังเคราะห์เป็นผู้อสุรกายนะครับเป็นพระพวอสุรกายแต่ก็เรีย ก, กลุ่มของสัตว์น ร, ร, รกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับปุรณะกสปาเนี่วเวจีนะครับ คำสอนก็อาจจะมีความต่างกันบ้างดูในสามัญญผลสูตรนะมีคำอธิบายว่ามิจฉาทิฏิเหล่านั้นแหละทั้งที่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งเป็นที่เกิดขึ้นโดยเป็นที่เกิดแห่งกิเลสมีโลภะเป็นต้นทิฏฐ ท, ทั้งหลายที่ยึดมั่นผิดผิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเป็นโมฆะดังนี้เป็นทั้งเหตุแห่งอนัตถาทุกอย่าง เป็นทั้งเหตุแห่งการก่อทุกข์คือกิเลสชื่อว่าพรหมจริย์เอสนะครับมันมีโทษมหาศาลนะครับเมื่อมันเกิดนะตัวทิฏฐิเองก็จะกําเริบเสบสารมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับตัวทิฏฐิเนี่ยนะมันจะพอกพูนพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับชั่วโรคที่มันแกล่าขึ้นแกล้าขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ยังเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งหลายมีโลภมากขึ้นโทสะมากขึ้นนะครับ ส่งเสริมกิเลสด้านอื่นๆ อ, อ, อีกนะครับเพราะฉะนั้นที่ทีทั้งหลายที่ยึดมั่นผิดๆว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเป็นโมฆะเนี่ยนะครับเป็นเหตุแห่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทุกอย่างนะครับไม่เป็นประโยชน์ทั้งในภพนี้ไม่เป็นประโยชน์ทั้งในภพหน้านไม่ได้เป็นประโยชน์เพื่อวิวัตตะอะไรเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกนี้อย่างยกตัวอย่างบอกว่าศูนย์ ถ้าบอกว่าศูนย์ก็คืออุเฉ ท, ทิฏฐิบุญบาปไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณใครจะฆ่าใครเท่าไหร่ก็ธาตุชั้แรกเข้าไปในธาตุบุญบาปไม่มีอะไรจะเกินมันก็เกิดร้อยๆอะไรอย่างไงทั้งเป็นต้นนะครับครัครับอย่างคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยที่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาแล้วเป็นต้นขึ้นไปจนถึงพระราหันเนี่ยพวกคนนี้ท่านทั้งหลายพวกนนี้ก็ต้องต้องเข้าใจว่า ทิฏฐิอย่างศาสนาเนี่ยคือความเห็นอย่างพุทธศาสนาเนี่ยที่เป็นตามาทิฏฐิเนี่ยจริงสิ่งอื่นเปล่าหรือเปล่าเขาก็เห็นว่าข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะครับอย่างนี้เท่านั้นแหละจริงคือข้อข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกขนะครับนอกจากมัสมีองแปดเนี่ยอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วนะครับเนี่ยนะข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกขเนี่ยนะมีเท่านั้นจริงๆนะมีตามอริยมรตมีองแปดที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้จริงๆ แต่ที่ท่าน Abby, มีความรู้ความเห็นห น, นั้นท่านไม่ได้ถือด้วยอํานาจทิฏฐินะครับท่านมองเห็นเหตุเห็นผลนะครับเหมือนกับคนรู้ดีรู้ชั่วหมดแล้วนะครับก็คือยื n, นยันด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิแต่จะต่างจากลทัทธิมิจฉาทิฏฐินะครับมิจฉาทิฏฐินั้นอยู่บนพื้นฐานของความไม่จริงนะครับอยู่บนพื้นฐานของความเป็นผิดผิดเมื่ออยู่บนพื้นฐานของความเป็นผิดผิดก็จะยืนยันนี่นะครับพอยืนยันหนักๆเข้า ก็จะเป็นไปเพื่อทําบาปทั้งหลายนะครับเพะนั้นคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะครับระยะยาวเนี่ยสามารถล่วงอกุศลในทุกชนิดแต่ผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะครับแม้แต่เจตนาที่คิดฆ่ายัางไม่มีเลยนะครับนะเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นต้นนะครับเรื่องบุญเรื่องบาเรื่องรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยนะครับท่านชํานาญมากนะครับสรุปนะทั้งมิจฉัตะกะสัมมตตเนี่ยนะครับมันก็ดิ่งพอๆกันนะครับ คือถ้าสัมมัตตานี้ก็ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วยากที่จะไม่มีใครแก้ไขได้นะครับทำมาแก้ไขให้ไปเป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่มีใครทําได้แต่พวกที่เป็นมิจฉาทิฐิก็ไม่มีใครแก้ไขได้พระพุทธเจ้าก็แก้ไขไม่ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าส่องเสพเจ็ดชาวนะแล้วนะพระพุทธเจ้าก็แก้ไขไม่ได้นะครับในอัตถกาถาสามัญโยพนสูตรกล่าวไว้อย่างนั้นนะครับนั่นพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยแก้ไม่จะแก้แก้ไม่ได้จริงๆนะครับ พอนคิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าแก้ไม่ได้นะครับจะกล่าวไปยญยถึงเรื่องอื่นๆเล่านะครับด้วยบทยบทแห่งพระคาถาว่าอิติสัจจะปรามาโสที่ถิฐานาสมุทยานี้เพิ่งทราบว่าเป็นอันพระองค์ทรงแสดงพรหมจริย์เอสนาไว้แล้วโดยอาการแห่งการเป็นไปและโดยมีความสำเร็จบทว่าสัพพาราคาวิตรตะตตสความว่า ผ่าทหารผู้คลายความกำหนัดจากกามราคะและภวราคาทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่นั้นไปก็ชื่อว่าผู้หลุดพ้นจากธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเพราะพระนิพพานกล่าวคือธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาบทว่าเอสนาปฏินิสัตถาความว่ากามะเอสนาและภวะเอสนาเป็นอันท่านสลัดออกแล้วคือละแล้วโดยประการทั้งปวง บทว่าทิฏฐานาสมุหตาความว่าเป็นที่ตั้งแห่งทิฏิกล่าวคือพรมจริยะเอสนาและถูกถอนขึ้นด้วยปฐมมมักนั่นเองนะครับคือทิฏิทั้งหลายเนี่ยนะครับพระโสดาบันถอนได้นะผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏิทั้งหมดนะครับบทว่าเอสนานังขยาความว่าเพราะสิ้นไปคือความดับไปโดยไม่เกิดขึ้นแห่งการสแสวงหาทั้งสมอย่างเหล่านี้ตราดเรียกว่าภิกษุเพราะทําลายกิเลสได้แล้ว ตรัสเรียกว่านิราโสเพราะหาความหวังไม่ได้โดยประการทั้งปวงนะครับคือไม่หวังในกรรมไม่หวังในพบไม่หวังในทิฏฐิอะไรสักอย่างเลยนะครับถามว่าท่านท่านเห็นอะไรล่ะท่านตั้งมั่นในสติปฐานสี่สัมมาปทาน4อิทธิบาท4โพชฌง 7, กตเจอารยมรรคประกอบด้วยองแตกเป็นต้นนั่นแหละครับท่านไม่ได้มาผูกพันกับกิเลส ท, ทั้งหลายเหล่านี้หรอกท่านเรียกว่าอะกะทังกะทีเพราะ ละการกล่าวถ้อยคําว่าอย่างไรด้วยความสงสัยที่เป็นทิฏฐิได้แล้วนะครับสงสัยแบบนั้นดิ่งไปแบบนี้ลังเลวิต ก, กังวลไม่มีสักอย่างนะครับพระอริยบุคคลเนี่ยจะไม่มีความลังเลจะไม่มีความวิตกกังวลอะไรเลยนะครับ น, นั่น